ซึ่งหน้าซึ้อปากซื้นพระุทธธรรมระสงค์ซึ้พุทํารระสงค์เป็นชะนะเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดชีวิตมาเป็นที่พึ่งเทวะลึกที่ปฏิบัติบูชาอยู่ทุกวันไมนมีประมาณก็ค้นทุกในวัตเอ้าทศสา ร, รกันลายเป็ แล้กูก็มาคอสบายแน่นอนอยู่แต่ของทุกข์ไม่รบเรือไม่ตาไหนทุกแก่ทุกเก็บทุกตายส่วนทุกโรคทุกโกรธทุกหลงขึ้นอยู่กับผู้มีเครดน้อยและมากอผู้มีมากก็ทุกมากผู้มีน้อยจะทุกน้อยโรคโกรธหลงส่วนแก่เก็บตายทุกสมกัน พอล่วงไปสมรสกันพอหายใจเข้าออกสมรสกันหายใจเข้าออกก็คือเปลี่ยนเอเรียบดของทุกของทุกกายความนึกคิดเปลี่ยนเอเรียบทของใจเป็นอาหารของใจกอริ่งการอาหารอาหารออของกายคือคำข้าว พัฒนาอาหารเจือปัจจของกายมโนทัศเจตนาอาหารอาหารของกายอีกวิญญาณอาหารอาหารของกายคือวิญญาณทักษะหลายต้งกินอาหารอย่างนี้กินอาหารสี่ตอนินการอาหารอาหารสำข้าวพัฒนอาหารอาหารเจือสัมผัสตะคูสัมผัสรสาตสัมผัสกาิ่นสัมผัสเสียงสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัส มนตัเจตนอาหารคือความนึกคิดโดยเจตราทิธรรมทัศนัยปัญญาอาหารนั่นี้วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณจักรุควิญญาณอาศัยรลกในดวตาจอตาลยานอาศัยเสียงนหูคณวิญญาณอาศัยกลิ่นจิวหาวิญญาณอาศัยลิน อาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดความโล่งขึ้นเนื้อสีวิญญาณอาศัยบทพาะคาถากาเกิดความโล่งขึ้นกายวิญญาณอาศทยสมาลองเกิดกระซายเกิดความโล่งขึนเนื้อโนวิญญาณเนื้อวิญญาณหกก็เป็นอาหารของสัตว์เหมือนกัน ว่าทักษะร้ายบนเรือนหรือคับอาหารเหล่านี้เป็นยาเสพติดหรืครับอันนี้ยาเสพติดเดือนเรื่อ น, นั่งนอนก็เป็นยาเสพติก็เป็นอันยาบด ท, ที่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมันเป็นทุกข์ต้องเปลี่ยเนเดินเรื่ยนั่งนอนบ้างนั่นคึงว่าอยาบดเนี่ยเป็นบางทุกข์ ไม่เลียนทุกง่ายๆก็นั่งหน่อยก็ไปเดินสักถ้าเดินหน่อยก็มานั่งสักก็มาใจเข้าออกเยอเนเซียหมดของกายถ่ายทอดทาาลมบังลมทาาลมท่าหน้าบังลมทาหน้าคือเดิมหน้า ธาตดินบำบัดธาสดินเือรับสางอาหารซึ่งเป็นของแข็งเช่นข้าวไปน็นต้นอาศัยความอบอุ่นเรียกว่าธาตุไฟเพิ่มไฟเพิ่มไฟถึงชุดธาตไปมาในตนในตัวซึ่งเป็นธาตุลมก็าอาศัยลมบวกลมหรือบำบังลมไหม เพราะว่าปวดอาสายขาดไปบอปวไมความเลือดเคิดเป็นอาหารของไกายถาเลือดเคลีไปทางดีก็เป็นอาหารไปทางดีถ้าเลือดเคลียสไปในทางขี่ว่าก็เป็นอาหารทางนั้นเลือดเคลีไปทางกุศลทอนบนก็เป็นอาหารไปทางบนน่ส่งเสริมมืความเลือกเคลีสไปทางบาปก็เป็นอาหารไปทางบา อาหารในทางบาปมีการมไม่ตกคนทนความติดในทางการพยาบาลไม่ตกความติในทางพยาบาลเออแล้วเป็นรัดเป็นรัดวัดใหญ่วัดใหญ่ เราหาโอกาสเจ้าใครอยู่โลกอะไรโลกนิวเคลียสดำนิโลกหัวใจโลกของอาหารโลกพลันลดึก โรคหัาใจอีกด้วยะแล้วก็โลโรคไตเลื่อนอีกด้วยะลโรคไตเลื่อนเป็นมาได้สองพั้าร้อยยีสิบสองจะมาทาแม่ฝาแม่ตัดยาอะไรอะไรก็เอามาฉันก็เอามาทามันก็ไม่หาเยเพรโรคมุคกขกรรมโรคหัวใจพอบรรเทาว่าแล้วเขาทอกตัวทาดีก็พอบรรเทาว่า ฉันยาเอาสันยาสีนคลินแต่ยา ไ, ไม่อดชอไปอยามันเหลือกิใช้ที่จะกินยาแล้วมันก็อนเหลือกิใช้ที่จะเยี่ยวยาเหมือนกันถ้าเป็นการเกียวขาดก้นขาดเขา่าขาดขาดขาดข้าง ถ้าเป็นเรือก็ไม่มีที่ปะไม่มีที่ขาาจะเอาชันมาพอกมันก็ไมาติดกพมันผุปไปแค่นล้วขวานมันก็เข้ามันผุปไปแล้วมันมีหน้าที่ทางเดียวมันเปิดประตูให้ตายพุกเสิงพวกยามันไม่เปิดประตูให้ ผลประตูตายก็คือเกียวตัวตายเกียวกตัวตายคืออะไรก็คือพาวนาตายพ่นไปเวชานี่พ่นไปเวนาทีหนึ่งนี่แคเวนาทีหนึ่งก็จึงเราพน่นพอแก่ทุกทางนี้นะันก็เปิดประตูตายให้ล่องโถงประตัอื่นก็นมาผลให้ยืนที่ขง้ยืนหน้าก็ผมองนี้นั่นง นอนก็คนให้นอนเอาน้ำให้มันดื่มน้วยน้ำาคอัดีน้ำแล้วน้ำใี่จรลางอันนี้ยไม่ไดาลงไปสีน้ำเออตปวนไงเรื่องชีวิตในทางอื่นเรื่องชีวิตในทางที่ถือห า, ายายังมุกทกประเภทอะไรยังมุกทกประเภทจะพากันไปทำ ฝผกแขนาาเทาบวกระดัเฮ็ดดอกฝ่ากแขนาาเทาบวเฮ็ดไว้เนี่ยมันเป็นศิศาส์เท่าเลยว่เฮ็ดมันศิยศาส์ผูกขีู้กถึงว่าพุทธารพระสงค์เขาวางกัผูกขีู้กถึงว่าพุทธารระสงฆ์เขาล่าไปฝ่ากแขนบวรีเฮ็ดน่ันเป็นศิเป็นศิลศาส์ไม่ใช่พุทธศาสตร์น้มนน้ำนพอก็อไม่ได้ทาไว้ถ้าไม่พูมา บางคั้ทําจู่ๆแล้วก็ทําแบบฝืกแม่ปกแขนแม่ทําไว้กระตุ้นพิษสมองไม่มไมไทําไว้่นคูบาอาจารย์ไม่เคยพอย ท, ทํามิชาเริ่มดูรายมือก็ไม่มี วันดีเราพยายามดีก็ไม่ได้ถือถ้าเราทำดีมันก็ดีกับเราถ้าเราทาชัว่วมันก็ชั่วอยู่กับเรากล่าวตูววันก็ไม่ถูกถ้าความวันไม่ดีผู้ที่เขาเป็นเศรษฐีเขาเป็นอยู่ทุกวันถ้าวันวันไหนไม่ดีก็ต้องลดตำแหน่งว่าเป็นคนจนวันได้ดีจึงเลื่อนตำนงขึ้เป็นเศรษฐีแต่เราไม่ค่อยถือไล้นะ น้า ม, ม น, น้าพรเหมือนกันมีผู้มาให้ทามันก็ปานออกข้อดอกตีวมาตีหวัวนะห <c oughs> วดไปได้ก็าทาไปฟื <c oughs> ดๆแต่ว่าฝ้ายผูก้แก้นี่ไม่ได้ทำเราะเพราะมันในฮาฝ้ายว้อีกเสียด้วย <c oughs> ฝ้ายผูกแก้แขนเป็นศาสนาพราไม่ใช่พุทธแต่เชื้อายนมอญน้ามมนนพรเหมือนกันอืมป่ะอื <c oughs> จุกประจุต like, ัโต๊ะต like ั wow! like, ้งโต๊ะต like, ั้งโต๊ะตั้งโตุกประจุุกจุกเพียงตูนจุกเทียงตาจเพียงตาจุงเืีองฝ่าไอ้จุกฝ่าเราดูนี่ฝ่าเราก็ไม่สามารถอะไรนักเพราะเห็นว่ามาจากองค์หลงปู่ใหญ่แล้วก็ไม่กล้าจะเทศอะไรมากนักเพราะเห็นว่าอยู่อู่ทำอู่ข้าในแล้ว ไม่ทูีิมาจากกรุงเทพถ้าจะพูดภาษาภาคอีสานหมดพกที่มาจากกรุงเทพก็ไม่เข้าใจอีโนอีเหน อ, อะไรก็ลําบากเหงว่างกันส <c oughs> ำหรัาเราก็ยอมเป็นที่เท้าขององค์หลวงปู่แล้วที่ลูกจิตขององค์หลวงปู่พุทธวิสัชน์ขององค์หลวงปูององงป่มา เราก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงจะพูดยังไงเองนีนน่แต่มันอสุดท้ายก็ขอให้ดูแลองค์หลวงปู่ตามสติกำลังนั่นเองเท่าที่จะเป็นไปได้ข้าพเจ้ทาทำประสงค์กออนเดียวกันไม่แค่อันอื่นเลยทศโมคงอยู่ที่กายธรรมโมก็ทรงไว้ที่ใจสังโมก็ปฏิบัติ ท, มม ท, ที่ดวงใจเพือะะพ่อระบาบบําเพ็ญบุญคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงทาําจิตให้บันเทิงในการร ะ, ะบาปบําเพ็ญบุญ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มวีวาสนาแล้วได้เกิดมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาคนงงงจะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาได้ยังไงเพราะตาก็บอดหูข้หัวคนที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนโงงงนะคนสร้างมันมีแก่ข้ามาแล้วพิจารณาแต่ว่าท่านผู้ใดอยู่ในระดับใดเท่านั้น พระธมาจารย์เรื่องต้นของพระพุทธศาสนาก็คงจับหมายเอาเทวะเจปโนเป็นต้นไปส่วนอื่นๆไม่ได้ื่นท่องเที่ที่เอามาปนเปกันก็เพราะเอาคําสอนของาศาสดาอื่นมาปนเปกคาสอนของพระพุทธศาสนาก็เลยกลายเป็นโลกีกลายเป็นโลภุตาละก็เข้ากันในพมมัชฌาและสูตรพระบรมาาศาสดาทรงเน้นว่า พมัชาชันร่าง้อนของพุทธศรราสนาก็ทรรุพทพโนโยุทธเท่านั้นจนถึงสาเนกิเป็นปริโยสาลผู้ใดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เอารัทีิอื่นมานปนเปเก็บ ป, ป่วยลงก็ไปหาว่านหายามากินมาทามาฉันหายก็าหายไม่หายก็ยอมตายคาภาวนาพุทโธ ผูนั้นเป็นสุภติปันโนผู้ใดมีศีลห้าบริบูรณ์ไม่สงสัยอยากล่วงละเมิดศีลห้าและไม่สงสัยอยากจะถือศาสตร์อื่นและไม่สงสัยอยากจะเล่นอภัยมรรคทุก ป, ประเภทข้าพเจ้าเข้าใจตามอัตโนมัตว่าท่านผู้นั้นเป็นสุภเิปันโนแล้วถ้าไม่อย่างนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ยังมาให้คะแนนนี่ อาศัยหลักอะไรมาพิจารณาอาศัยหลักธรรมวิจยะความสอดส่องทำนายโคตรชงของพระบ ร, รมศาสดาการปฏิบัติไม่ผิดพระอ ร, รมศาสดาก็บอกแล้วอภิอนนรักอ์ปัญญวกมติทาสูตรคือสูตรที่ปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างหนึ่งอินทรีย์สังวรสํารวมอินทรีหก ระวังตาหูจมูกลล้นตายใจมาให้ยินดีเยนลายในเวลาเห็นลูกฟังเสียงดงกปลิ่นเรีมบรถูกต้องพ่อวัตถุพัยายรู้ธทรมารมรู้ใจสองโพชเนมะตันด้ยตารู้จักประมาณเมกาฉันอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยสามชาคณิยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะท่งละใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่หลับมากนะัก วันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเป็นคนนมรับสามหรือสี่ชั่วโมงพอแล้วแต่อาตจจมาก็าดีผมก็ดีวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ข่มเหงหลับทุกวันนี้ที่โพชเนมตันยุตานะนุจสะประมาณในการกินอาหารนั้นจ ะ, จ, ะจะกี่คำพระบรมศ า, ศาสดาเขาไมาได้บอกไว้ บอกว่าในพระในนาบอกว่ายังอีกสี่ห้าคำก็ดื่มน้ำสักเรียกว่าฉันอาหารคอประมาณเรียกว่าโพชนเนวะตันญตาเพราะท่านก็ไม่ได้บอกว่าฉันาน้ น, น, น, น, นท่านั้นฉั้นท่านี้เข้านั้นคําท่านนี่คําท่านบอกว่ายังอีกสี่ห้าคำแล้วประยุติสักดื่มน้ําแล้วพอนีเรียกว่าโพชนเนวะตันญตาส่วนนอนนั้น วันหนึ่งคือหนึ่งก็คงสี่ชั่วโมงเท่านั้นรวมกันเข้าส่วนหลับส่วนแม่รับที่ภาวนานอนไม่ไม่ต้องเอามาเอ่ยอนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยนี้ปฏิญต์ยัดเข้ามากายวายกายใจปฏิบัติก็ปฏิบัติเข้ามากายวายกายใจพูดเป็นกิการนิบาศพูดเป็น ทุกการเนบาก็กลายเข้าใจปาราเป็นการทุกการเนีบาตก็คือธาตุสี่อนิจจสัตวสี่ทุกสมุทัยนิโรธมัจทุกเป็นผลของสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนิโรธเป็นผลของมัจมัจเป็นเหตุให้ถึงนิโรธเมื่อพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่สมุทัยก็บรรเทาลงไปเองหรือมัจก็เจริญไปเอง นิโรธก็ทําให้แย่ไปเองไม่แค่ว่าพิจารณาทุกข์แล้วก็พิจารณาแล้วก็เจริญทุกข์แล้วก็เจริญสมุทัยแล้วเจริญมัจจโรนิโรธอันนั้นมันเป็นเรียงแบบทำบอย่างกําลังฆ่ายาก็เหมือนกันกระทาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปริยะเพียมนมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและรชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐ า, านที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐ า, านที่ตั้งไว้ตกลงทำกําลังห้าอยากก็กลมกลืนกันเป็นเชือกห้าเสียวอยู่ที่แห่งเดียวกันวิทยาคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่ยางฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐ า, านที่ตั้งไว้ปริยะเรียนมาประกอบในกรรมฐ า, านที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจพระฝ่ายในกรรมฐ า, านที่ตั้งไว้ วิมสามันติตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐ า, านที่สร้างไว้คุณที่อย่างมีบริบูรณ์แล้วอาจจักนา บ, บุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประจุซึ่งมีเดวิสัยก็มีความหมายอันเดียวกันมัแกแตกเพราะเราเป็นเชือกแตกเรียวเหมือนกันสมาธิเห็นชอบในขั้นใดสมาสังกโปในขั้นนั้นวากัมมันโตวายามุกกัมมันโตว่าอวายามุสติสมาธิก็เหมือนกันก็กลมเกลื่อนกันในขั้นนั้น สัมมาทิฏฐิของพระโสดาบันเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิของพระสัพพคาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นตลอดถึงสัมมา ส, สมาธิสัมมาทิฏฐิของพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นตลอดจนถึงสัมมา ส, สมาธิสัมมาทิฏฐิของพระอรหันต์ <S <S เห็นชอบเลย <S <S เห็นด้วยญาณทัศนะวิสุทธิ กความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ววิมุตติยานัตนาคถาทอดําเทียงน้าให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่เป็นเอกเทศเหมือนพระสสดาบาลสระตาคาเมย์นาคาเนี์อันนี้เป็นเอกเทศนโมเป็นเอกเทศคือนโมใครนโมพระสวสดาบาลนโมสัพพาคาเมย์นโมพระอนาคาเมย์นโมพระอรหันตพ้นไปจากทุกแล้วคือน้อมๆจะไม่มี กิเไม่มีอุปทานใดใดทั้งสิ้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยจิตขององค์ท่านว่าจากสัตว์จากบุคคลไปแล้วไม่มีสิ่งใดนนที่จะมาเหนี่ยวรั้งให้วิญญาณมรสิสุนทิของท่านตั้งอยู่เห็นท่านกระทรงสง่สงคืนให้เห็นรู้ท่านก็ส่งคืนให้รู้ท่านไม่ไปสอดแท้งยึดถือเอาเป็นเจ้าของท่านบุคคลไปแล้วปัจจุบันอดีตอนาคตก็อยู่ตามธรรมชาติของมันหยับ มื่อในสำคัญตัวอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้นเหตุฉะนั้นอุปาทานาการมุปาทานคือบ้นในตามทิตทุปาทานคือบ้นในจิตที่ศีรพตุปาทานคือบ้นในศีลพราษอัตวาตุปาทานจึงไม่มีแก่ท่านท่านไม่สําคัญในดๆทั้งสิ้นท่านทุพนไปแล้วเหตุฉะนั้นจิตของท่านก็ว่าทํามของท่านก็ว่าว่างจากสักดิ์จากบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรไปยึดไปถืออัตตา ก, ก็ส่งคืนถึงอัตตา อนัตตาก็ทรงคืนถึงอนัตตาไม่ได้เอาอัตตาและอนัตตาไปที้ไปพ้นไปรักไคร่รักสอนไปเป็นสงครามกันท่านโนตตามันจริงตามสมุดด้วยตามปรมัตต์ด้วยกรรมฐานเรื่องต้นของพระพุทธาศาสนาก็พิจารณาลูกเป็นอารมณ์กรรมฐานขั้นที่สองก็พิจารณาอลูกขั้นที่สาม ถ้าไม่ติดจะแนะนำรูปและอารูปแล้วมันก็้นไปโดยสิ้นเชิงอ่ารูปคืออะไรรูปก็คือธาตุดินน้ำไฟลมมีรูปขันเป็นต้นนามคืออะไรนามแปลว่าเชื่อมันเวทนาสัญญาสังขารเวียนญานเกิดขึ้นแล้วกาแปรแปวนแล้แต่สลายรูปก็เหมือนกันของหยาบก็เกิดขึ้นตามอย่างบของละเอียดก็เกิดขึ้นตามละเอียดหาระหวาไม่ได้จริงอยู่หาลาวาไม่ได้ ทำฝ่ายเกิดดับก็เกิดดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำฝ่ายที่ไม่เกิดดับก็ไม่เกิดดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ได้โยงการว่ากับผู้รู้และผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ที่จะรู้ตามเป็นจริงจะปฏิบัติตามเจริงจะรู้ท้นจากความหนุนของตนตามเป็นจริงอันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันเป็นคนละเรื่องทาทั้งหลายมีอยู่บริวูแล้วใคระเรียนกรรมฐานอันไหนมันก็ดีหมดส่งต่อพระนิพพานทั้งหมด พระนิพพานกรรมฐ า, านแต่กรรมฐ า, านส่งต่อพระนิพพานหมดมันก็ขึ้นอยู่กับบารามีของท่านผู้เจริญหรือสร้างมาแต่ก่อนเหมือนกันอเอช่นบางท่านก็พาล็อกเสียว่าเป็นแต่สักระรูปเป็นแต่สักว่าเห็นท่านท่านก็บอกว่าพอแล้วเช่นสภาเนียสารุสิริยะเพราะท่านสร้างบาลมีแก่สร้างมาแล้วกรรมฐ า, านใดๆจะให้อยู่ในกรรมตัวในระดับเดียวกันไม่ได้เพราะสร้างบาลามีมาไม่เหมือนกันบางท่าน ก็สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วอผู้บางท่านผู้ราภาวนาพุทโธนี่กิจต่ําถ้ากิจเราต่ําแล้วก็ต่ําสิถ้ากิจเราสูงก็สูงพุทโธไม่พามาเสด็จมาแก่มาเก็บมาตาพุทโธไม่มีโรคมีปวดม่หลงพุทโธไม่ติดข้องอยู่ในกองน้ำลูกทำโมก็ทรงไว้ซึงอ น, นั้นสังโฆปฏิบัติอันนั้นถ้าพวกนั้นน้อมขึ้นอย่างนั้นแล้วแต่ว่าพุทโธเป็นสมถะมันก็ไม่ถูก ม, ม, มันก็มีทั้งวิปัสสนาเกินกันด้วย สมัยที่เข้าโรงเรียนอยู่วิคาณทรรมเอกผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นจะเป็นสมถะหรือไมปัจจนาแล้วเขากระถามถ้าตอบให้ตรงกับสนามหลวงเขาก็ตอบบอกว่าผู้ภาวนาผู้ภ า, า, าวนาพุทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะเพราะเหตุว่าการภาวนาพุทโธพุทโธ เป็นถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่สามารถจะถึงอัปปนาสมาธิถ้าตออ่อจากนี้ก็ถูกเขายอมให้ถูกถ้าให้ตอบท่กวันนี้เราไม่ตอบอยางนั้นเพราะเราได้มาปฏิบัติผู้ภาวนาพุโทโธพุทโธนั้นจยว่าธรรมะเออปรัชนาก็จะยืนยันไม่ได้เพราะเหตุว่าระดับจิตใจและปัญญาไม่อยู่ระดับเดียวกันยกข้าศเช่นผู้ภาวนาพุโทโธพุทโธ เขาเห็นคำวุฒิกรรมของเขาเกิดจับอยู่ในขณะเดียวนั้นเองไม่มีอันไดก่อนไม่มีอะไดหลังทีน่นี่เขาเห็นเทตติกรรมของเขาเกิดขึ้นแล้วก่แปรพลันระดับไปในขณะที่บริกรรมทั้งกิดทะทั้งหานและทั้งวิจีตรทั้งขานด้วยแต่คุณพูโทโธนั้นไม่เคยไม่ดับไปไหนถ้าเห็นพร้อมกันในขณะเดียวอย่างนี้แล้วจะว่าเป็นสมถะมันก็ไม่ถูกเราจะตอบอย่างนี้ถ้าให้เราตอบตอบจุดวันเนี่ยยกมหถวิลีเช่นผูว้วุฒิกรรมลูกไปรูกมาอย่างนี้ นัโชว์นานังและชังพันธสิยางนี่ก็น่าจะเป็นวารีกรรมภาวนาฉค่ไหนจึงแตกแานในปฏิสัมพิทาสี่เล่าเราจะตอบอย่นี้สวัสนี้เราไม่ตอบอย่างนั้นจริงทไมจึงมีโลทีและโลกุตระมาปนไปกันยุ่งเหยิงเต็มทีโลเกอิมุตโลกุตระอิมุตโลกีศีลโลกุตระศีลโลกีสมาธิโลกุตระสมาธิ โลคีปัญญาโลกุตระปัญญาทําไมจึงมาปนเปนกันมากนะก็เพราะเอาคําสอนศาสดาอื่นมาปนเปนกับคําสอนของพระสมมาเั้าพระเจ้าคู่เข้ากันไปเราจะตอบอย่างนี้พระพระบ ร, รมศาสดาเมื่อเนทรงรับรองว่าโลกียักเป็นคําสอนขององค์ท่านเป็นคําสอนของศาสดาอื่นคําสอนขององค์ท่านแต่ละวัดละบาทเป็นโลกุตระข้างนั้น แล้วเอามาปนเปกันก็เลยกล่าวสู่ว่าคําสอนพุทธศาสนาเป็นโลกิยักไอ้ที่แท้ไม่มีโอที่ยักเลยในมหาปรินิ พ, พานสูตรทําไมถึงพูดอย่างนี้เพราท่านเหล่านี้เรียนหนังสือทํำไมพูดอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจความหมายท่านท่านเหล่านี้เรียกเรยนนัธรรมซีโรเอกแล้วก็พูดไปตามแถวนี้เพื่อให้ท่านเหล่านี้พิจารณาด้วยในมหาปรินิ พ, พานสูตร พระบรมราชสดากรา่าวกับทูพัทธผู้บวชต่อแก่ว่กากาธนาอื่นๆถ้าเขาไม่ประมาทยังย่อมวิธีของเขาเขาจะถึงสุปฏิปโนโอุจุยยะสาเนี่บ้างหรือไม่พระเจ้าข้าพระบรมศาชสดาทรงพระเมตตาสาวะอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราเราพูดเข้าข้างทำเป็นธรรมามัธยปไทย ศาสนาอื่นมีการดื่มสมเทเพราะเขาหนักไปในวัตถุนิยมวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่ไม่อยู่ใต้อุกของอันนี้การเกิดข <speaker speaking, S 1> ึ้นแล้วกาแฟป่วนแี่แตกสลายวัตถุนิยมนั้นเรานิยมแต่พอให้เป็นปัจจัยสี่กิวามินเทบาเสนาสนะและเพศพอที่จะปฏิบัติข้ามคนทุกในวัฏสงสารเท่านั้นเราไม่ได้หวังว่าจะให้ไปเป็นเป็นเปรตเศร้าพวกนั้นอยู่สัานผู้อ่านพระบรมสาราพวกนั้น เขายินดีในวัตถุนิยมเป็นส่วนมากแม่ตัวหัวหน้าของเขาเขาก็ไม่ถึงกับตัวดาวันเลยเขาจะเอาพระกัตถาคามีอนาค า, ามีอาหารหันมาจากประตูไหนล่ะพรบรมาศาสีากเหตุฉะนั้นจงยืนยันได้ว่ารุปฏิดปนโอของชยชายรยศามีทนนั้นเป็นสารมสารขององค์ท่านท่านยืนยันนะทนนั้นคำสอนขององค์ท่านพบ ร, รมาศาสีาคําสอนแตลวัดละบาทมาจากคำเตยไหน ถ้าจะให้ตอบในทางสารมัตตก็ร้องจะตอบว่ามาจากคําเอมโนภูฟังคมาธมามโนเสต้ามโนวิญาณธรร ม, ททมั้าขานิยไกไปไก่ก็สมเด็จแล้วได้วยใจว่าเป็นเอกกิบาตถ้าเป็นปัญจาการิบาตก็รูปเทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเป็นชะการิบาตก็ตาหูจมูกเรี้ยงกายใก่ถ้าเป็นชัตาการิบาตก็สับตาว่าดเกตถ้าเป็นอัศการิบาต ก็มาแปลกมาแปก็ย่นลงนลงเป็นสามเสียธรมะที่ปัญญาโพอที่ปฏิกิจกรรมก็ตามก็ย่นลงมาเป็นสามเสียงธรมะที่ปัญญาย่นลงมาเป็นหนึ่งกโนผู้ฟังปัจจุันนัเก็ปัจจุบันนักทำเท่านั้นถ้ย่นลงมาผู้ที่จะพ้นจากฟองทุกข์ทั้งปวงก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันท่านั้นไม่ใช่เก็บอดีตไม่ใช่จิตอนาคต จะรุดพ้นขึ้นความสงสัยในชั้นพระสวัสดิบาลก็ตามชั้นสักขารามีก็ตามชั้นอาณาตามีะกะาาม็กาตามชั้นพระอาหาันก็ตามว่าจิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นไม่แค่อดีตอนาคตวัจจุบันนันเจะโยธรรมะผู้ใดเห็นทำในปัจจุบันผู้นั้นในว่างแห่งคอนเทนในทางวุตสาสานันะ่นพระบรมศาลาษสอนเน้นลงมาแล้วสอนเป็นคลายชัางข้ามหคือสองเคราะห์ลงมาในปัจจุบัน อ่ะสางข้าโห้คือใบสงฆ์ก็เชื่อกเส้นเดียวกันขึงข อ, อ, อกไปยาวเหยียดนี่เมื่อดึงมาก็ดึงมาโซเสียกันเชือกอันเดียวกันดึงมาดึงมาว่าขยายออกไปเป็นเชือกเส้นเดียวกันออกไปจากมโนภาพพูดน้อยพูดมากก็ตามก็ออกไปจากพโนภาพสมมุติน้อยก็ออกไปจากเอเิกะสมมุติเอกะอนิจังในปัจจุบันรับพระอนาตาย้อมงมาให้เอกะอานาตตาในปัจจุบันถ้าเห็น ทุกในปัจจุบันแล้วทุกในอดีตอนาคตจะไปสงสัยทำไมถ้าเห็นโลกในปัจจุบันแล้วโลกอดีต โ, โลกอนาคตจะไปสงสัยทำไมถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นไม่ชัดไม่เป็นทักษนานุตริยะความเห็นเยี่ยมเมื่อความไม่เห็นเยี่ยมแล้วปฏิปทานุตริยะความปฏิบัติก็ไม่เยี่ยมเมื่อความปฏิบัติไม่เยี่ยมวิปัสสนุตริยะความรุ่นทุ่นไปเป็นตอนก็ไม่เยี่ยมเหมือนกันนันนั่นนน แปดหมืสี่พระธรรมขันธ์ก็คงเอาคําสอนแต่ละบทระบาทของท่านองค์นั้นท่านองค์นี้สอนอยู่ที่นั้นสอนอยู่ที่นี้แล้วก็มารวมกันแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เ ท, ท 25, สุสีสิบห้าพรรษาเอามารวมกันไอ้แท้ๆความประสงค์ก็อันเดียวกันประสงค์ให้รู้ตามจริงปฏิบัติตามจริงลดท้นตามจริงด้วยเท่านั้นแต่ละบทแต่ละบาทมี่เท่านั้นแต่ก่อนใน สมโภธิกานปาราชีตสี่ตุาที่เศษทีสามอันนีวัดสอนี่ตเกปารตีสามสีปสมส่ปารตีก็จะสองปาิเตศเนยสี่เศษเควัดเจ็ดสิบห้าอาทิตย์ตาตาะมาถ่ายเจ็บไม่มีพุทธบัญญัติแลอภิธรรมายการก็ยังไม่บัญญัติเนื้อข้อพวกนั้นเป็นพวกดอกบัวตูงในสมัยปสมโภธิกา็เทศทำไมจากกระเพาะนสูตรแท่ฟังยังกินเีสมุทยะธมังสปันตังนิโรธธรรมมันติกน่ะ สิ่งในสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเสียงนั้นทั้งหมดมีความดับสูนเป็นธรรมะโดยใจความพระอัญญาโกนท่านนี้ก็เห็นอันนี้ดังชัดที่ตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาก็เลยอยู่ด้วยกันเมื่อใดพิจารณาเห็นส้งขาแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมไหนเนี่ทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นเขาปรมาสตระกูยืนยันได้เมื่อเป็นทางแห่งวิสุทธิก็คือศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิอยู่ในตัวแล้วนั่นนั่นนั่นนั่น เมื่อใดเห็นทำทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมไายในทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นแหละทางแห่งสิ้นวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิมีความหมายอันเดียวกันสียงสมาธิปัญญาจะแยกไม่ออกเมื่อสิ้นแก่สมาธิก็แก่ปัญญาก็แก่เมื่อสิ้นอ่อนสมาธิก็อ่อนปัญญาก็อ่อนแก่ขึ้นไปตามกันที่ท่านเรียงไล่เพื่อให้เราเข้าใจให้ใช่รเราไอ้แท้จะแยกกันไม่ได้เช่นหนังเนือ้อ กับเอ็นก็มันแยกกันไม่ได้เพราะเหนี่ยวร่างกันอาศัยซึ่งกันแล้วกันพอพูดเป็นอักษรย่อเคยเห็นหน้ากันไหมเคยเห็นเมื่อเห็นหน้าก็เห็นตาเห็นจมูกกันในตัวพุดโทรก็มันกันมวดพูดถึงพุทโทรทำโมสองโขเขาอยู่ในที่นั้นเพราะเป็นเชือกสามเปลียวหนักแปดหมื่นเชพระธรรมขันก็ขันลงมาในปัจจุบันนักเกตปัจจุบันธรรมแต่ละชั้นในชั้นของคนแปดมื่นเชือกพระธรรมขันของพระโสดาวันก็ชั้นหนึ่งแปด มูลนิธพระธรรมอาคารปัจจุบันของพระสวสดาบันปัจจุบันของพระสกทาคามีปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระละหัน์ก็ยิ่งย้อนกว่ากันเป็นลําดับปัจจุบันของพระพัทเจ้ปัจจุบันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีย Bref, um ma, ิ่งย้อนกว่ากันเป็นลําดับจะเอามาเทียบกันไม่ได้พุทธะสีจําพวกสัมมาสัมพุทธะพระเจ้พุทธะสาวกสาวิกาพุทธะ พุทธะเขาแปลว่ารู้แต่ว่ามีความรู้ต่างกันจะเอามาตีเสมอกันไม่ได้นี่พูดเพื่อกันความสงสัยของพวกเราที่เรียนมากฟังมากมาอมเคยเรียนมากฟังมากมาแล้วย่นลงไม่เมื่อต้องการจะย่นลงมันก็ค่อยๆเสียทีสังขะโหแปลว่าย่นลงตาสังขะโหไม่ได้ย่นลง หลังคหาห้าในก็ลงมาในปัจจุบันเ น, น้นลงมานนในปัจจุบันปัจจุบันนันชายโยธมรมาภิริเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นัาา้งงนแมงม่วงแง่งคนแคร์ในทางพุทธศาสนาเอปัจจุบันของพระสุราราวันทักษะคำมีนาคามีน า, า, นากราวรนั่นเอง น, น, องนะ ป, จจนนปัจจุบันนักเกตอยู่ที่ใดปัจจุบันธรรมอยู่ที่นั่นเหตุไ น, นอลาราดาบทบุษกะรามบทรามบามบุตร ภาวนาจนถึงเดวะสัญญ า, าสัญญาอัาตนะแล้วจึงไม่สําเร็จพระสวสดาบาลเพราะสมัยนั้นยังไม่ได้มีไตรสนญคมเพราะยังไม่ถึงไตรสัญคมเพราะไม่ยอมตนถึงศาสนาพุทธจึงเป็นศาสตาอื่นที่แฝงอยู่จึงไม่สามารถถึงพระโสดาบาลได้เหตุฉะนั้นพระบ ร, ร, ร, รดดมศาสตาทัศนุโลกให ม, ใหม่จึงตั้งใจว่าจะไปหาท่านเหล่านั้น ท่านล่านั้นก็มรณะภาพไปเสียเกตวันแล้วเสียดายเนอะเสียดายเนอถ้าพวกนี้ยังอยู่จะถึงพระโสดาบันจะมาถึงเราหรือพระพุทธธรรมผสมเป็นสาระแล้วก็จะเทศบาปฆ่าท้าเดียวก็จะถึงพระโสดาบันอะไรนะเสียดายเนอะเสียดายนาะแปดหมื่นสี่พันกับพวกนั้นอาณิสง์อยู่ในอารมผมแปดหมื่นสี่พันกับจะเป็นพระพุทธเจ้ากี่พระองค์เล่านักนับไม่ไหวอีกใครอ่ มีอายุยืนถึงขนาดนั้นก็ยังอยู่ใต้อำนาจอา น, นิจจังมาเกอเก้เก็บตายเองอยู่นะเห็นโลกในปัจจุบันเห็นสัางคางในปัจจุบันสังคางโลกโลกคือส้างคางสัตว์โลกโลกคือมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักรมาพระเจ้าหกท่านภพมรโลกได้แก่รูปภพมพที่หกท่านและอรูปภพสี่ท่านโลกทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นและก่อแปรปรวนและแตกสลาย โลกเหล่านี้รวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกนวดลงมาเป็นสองสังขารที่มีใจครองเรียกว่าอุปาทินกะสังขารสังขารที่มมนมีใจครองเรียกอนุปาทินกะสังขารจะว่าสังขารโลกก็ได้จะว่าสังขารธรรมก็เป็นจะว่าโลกกระทากก็ได้จะว่าโลกกระทก็เป็นแต่ว่าโลกในส่วนนี้จัดเข้าในสังขารพระเนพานมาจัมาเป็นสังขารเป็นวิสังขาร ทำทั้งหลายที่ทรงอยู่มีอยู่พระนิพพานไม่ได้มาสังสรรค์กับโลกโลกก็ไม่ได้ไปสังสรรค์กับพระนิพพานอไม่เป็นหน้าที่จะสงสัยผู้ภาวนาเพื่อเพื่อพนวัฏสงสารปัญหาไว้มากปัญหามีแค่ดเดียวผู้ปฏิบัติเพื่อลาบ ย, ยศเฉริเศสน์อะไรต่ออะไรปัญหาก็มาก ผู้ปฏิบัติเพื่อนายจากความหลงของตนเพื่อพ้อนไปจากความหลงของตนปัญหาก็ไม่มากปัญหามีนิดเดียวที่มีปัญหามากก็เพราะความป่าเถนาของเรามากอมนุษย์สมบัติบ้าสวรรค์สมบัติบ้างพรหมสมบัติว่ามันมีหลายบ้างเมื่อเห็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นก็แปฟพวง น, นี่แตกกระจายนะถ้าเขา่าเห็นทัวธาตุใจโลกธาตุเห็น อนนีจังคณะจิดหนึ่งก็เห็นทั่วทางไตรโลกระทาแล้วเพราะตาโลกระทาเต็มไปด้วยอันนี้จังเห็นทุกคณะคิตหนึ่งก็เห็นทั่วทางไตรโลกโระทาพเพราะไตโลกระทาเต็มไปด้วยทุกถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีขั้นพใดแค่เบื่อหน่ายคายมายเมลาความรบก ว, วละละนได้นั่นมันก็กว้างขวางนักนั่นทำให้แคบเขพอแคบลงนั่นกรรมฐานในพระทศษ า, ษ า, ษาสนาก็มีสองกรรมฐานท่า น, นเพ่งรูปเป็นอารมณ์ ก็คือรูปประขันหรือรูปประท่าหรือรูปประทำหรือรูปประโลกเอ้าอาทิตต์ตาปัญญาสูตรจดลงเป็นสองตาหัวจงเลี่ยงกายยศลงในรูปขันใจยศลดลงเป็นนามขันก็เกิดขึ้นแล้วแปลผลและแตกสลายใจเป็นหนทางเขา้าสู่พัฏฏพานถ้าทาถูกถ้าทําให้ถูกก็เป็นหนทางไปสู่นรกตามเหตุผลที่ทําน้อยน้ำาใจเป็นเรือเป็นแพสําหรับขี่ข้ามฟ้าถ้าใจมีศีลสมาธิปัญญากลมเกลืนกันอยู่ ถ้าใจไม่มีศีลสมาชิกปัญญาโองเกินกันอยู่มีแต่รโกวโหลอกโกงเกินกันอยู่ก็พาไปทางอื่นไะเจ้าของใจเหตุฉะนั้นท่านเจ้าปัญญาบอรูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานตาหม่นิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระนิพพานยังว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานจิตถ้าปฏิบัติถูกก็เป็นทนทางเข้าสู่พระนิพพานท่านั้นถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็เป็นทนทางไปสู่นรก จิตปปเปลียีแบบเหมือนเรือเหมือนรถถ้าขี่ข้ามภากแล้วพระอาหารหันต์ตายแล้วเอาจิตไปด้วยไหมข้าพเจ้าเข้าใจว่าไม่ได้เอาไปด้วยเพราะไม่เป็นฐานะที่จะมาบัญญัติว่าจิตอีกพระอาหารหันต์ตายแล้ว่ะมันไม่สมชนะ้าละแต่พระอรหันต์ที่ยังไม่ตายยังคงบัญญัติว่าจิตก็รุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมันโดยอุปทานก็ต้องบัญญัติจิตส่วนพระอรหันต์ตายแล้วไม่บัญญตัติจิตข้าพเจ้าเข้าใจอย่างนั้นจะจิตหรือว่าจิต ก็เรียแต่นักธรรมจะพิจาราเอาเองเถิดมหาสมบันาเจ้าท่านพูดอย่างนั้นท่านมายืนยนันเป็นเหตุไหอยให้นักปาชญ์ชวนชิดไม่ได้ซื้อสิทธิ์แต่เฉพาะตนเองเหตุฉะนั้นพระบรมเหตุฉะนั้นมาหาสมบันาเจ้าท่านทรงพระปัญญาว่าขอให้นักธรรมพิจาราเอาเองเถิดท่านไม่พูดเด็ดขาดไหว้สิทธิ์ให้แก่ผู้พิจารณาด้วยขอให้นักธรรมพิจารณาเถิดท่านให้สิทธิ์แก่ท่านผู้อื่นท่านไม่พูดเด็ดขาเพราะเองจะเป็น อาตาวะผูป่าทานท่านพูดฉลาดพระมหาสมณาเจ้าไม่กระทบกระเทือนใดเลยแต่ข้าพระเจ้าก็เข้าใจว่าพระนิพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่พระนปพาจิตที่เป็นพระเนปที่สมมุติว่าจิตเป็นพระเนิพานก็สมมุติแต่เพียงเฉพาะพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่จิตก็หลุดพ้นจากอาตราวะไม่ถือมันเลยอะผูปาทานกามื่ป่าทานที่ตัป่าทานสีและพวตัวป่าทาน ส่วนพระอรหันต์ที่สิ้นโลภานไปแล้วไม่เป็นทาระจำลามัญยัดจิตเอกเพราะมันกลายเป็นธรรมอันไม่ตายไปเสียแล้วจะมาบัญญัติจิติอก็ไม่สมฐานะเพราะเข้าสู่อนุปาทิเทาสตนิพานแล้วก็บัญญัติได้แต่เพียงว่าอมะตะังนิพยังพะตาทำอันไม่ตายหรือธาตุอันไม่ตายหรืออินทรียอันไม่ตายอินทรีเมอยู่ไม่ใช่กับคุนศีสิวหินกายินมะ น, นิอิทธิหินปุรศหินอย่างนี้ อินทรีย์อันไม่เกิดไม่ดับอายตนะนั้นมีอยู่เพื่วทั้งหลายแต่อายตนะไม่ใช่จกักรอายตนะรูปายตนะอย่างอย่างเร า, า, า, านี้อายตนะที่ไ ม, ม่มาเกิดมาแก่มาเก่ ม, มาตายทีย่ไม่มีรูปมีนามพ้นจากกองนามรูปไปแล้วพ้นจากกองนามรูปไปแล้วจะมาใส่ชื่อเรือนามในกองนามรูปมันก็ไม่ถูกเพราะมันพ้นจากสมมติไปแล้วจะบัญญัติว่ากิต ก, ก็ไม่ถูกบัญญัติได้แต่เพียงว่าทำอันไม่ตายถ้าจะบัญญัติว่าจิตอีกก็ค่าค่าว่าแกก็ตายแล้ว หัวงอแล้วไปยังไงอยกว่าคุณหนูคุณหนูอยู่มันก็ไม่ถูกาลาทีน่นี้ด้วยนี่คุณพระ พ, ทพุทธธรรมพระสงฆ์พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้แก่เรียนแก่ฟังมาเนี่ยถ้าธรรมาหรือผมไม่ปลารถบ้างก็คงจะเ ท, เที่ยวมาเพราะปลารถให้พิจารณาช่วยกันผมก็ไม่รับรองความันถูกอาตอมาก็ไม่รับรองความันถูกนถุกขาให้พากันไ ป, ไปพิจารณามีสิตตนเองเป็นปัจจขาทิฏฐิจึงเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกในพระสวสดาวัน สันทิเิโกในสักทาคามีสันทิเิโกในพระอนาคามีสันทิเิโกในพระอรหันต์เป็นสันทิเิโกที่จบแล้วจะสันทิเิโกคงไม้เอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปอาการิโกก็เหมือนกันปัดจัดต่างก็เหมือนกันควรรองเรียกให้ท่านมาดูก็เหมือนกันเอกิปเิโกคนรองเรียกให้ท่านมาอยู่ได้กรอรองเรียกพระโสดาบันนั่นเองร้องเรียกให้คนตาบอดมาดูมันจะเห็นหรือมันไม่เห็นล่ะอืมนั่นทีนี ด้วยเ ด, ดพระพุทธศาสนาเออพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณค้าหาประมาณไม่ได้อันมีอยู่ทุกการทุกเวลาด้วยพวกเราทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงในปัจจุบันลุดพ้นตามเป็นจริงในปัจจุบันโดยสิน้นเชองพิจรณาตามเป็นจริงในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงยันได้มาเกิดแก่เก็บตายในวัฏฏะสงสารนี่อีกเลยเอาละทีนี้ ที่นี่มันไขได้อนาะผู้บอกเข่าบอกได้ครอเดี <ska> ๋ยวเดี๋ยวเวลาสักค่เดี๋ยวว อะไแกว่าเทเร่เธอเทเ ร, เทเร่จังไงลูกศิษย์ของหลวงปู่ลูกศิษย์ของหลวงปูม่มากมักให้ว่าเทเร่ว่าอาจารย์เรหรือว่าอาจัยรยสมันเต๋กอกระไรเนอะเะ หคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอาการขั้นที่สองคือพระพระเจคทั้งหลายอาการชั้นที่สคือพระอรหาหัน์ทั้งหลายนับทั้งเพศหญิงและเพศชาย hm ด้วยอาการขั้นที่สี่คือพระอนาคามีทั้งหลายนับทั้งเพศหญิงเพศชายด้วยอาการชั้นที่ห้า คือพระตักคาคาคาทั้งหลายนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยอาการขั้นเที่หคือพระโสดาบันนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยเบื้องว่าพวกเราทั้งหลายได้ทําผิดอาการทั้งหลายเหล่านี้นับแต่พระสมาทพุพตเจ้าลงมาจนถึงสุดท้ายพระโสดาบันด้วยกายกรรมสามวิจิกรรมสี่มนโนกรรมสามมาแต่ในพบก่อนชาติก่อนคดีปัจจุบันนี้คดี จะเป็นไปในข้างหน้าก็าดีด้วยเดชพระอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นจ ง, งทรงกระโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อโดยประการทั้งปวงพ้นสุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงพ้นจากสะพะัพพุทสัพพสุสัพพโลกสัพพเวนสัพพัยสัพพอันตรายใดทั้งสิ้นจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั้นเถิดในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไ ม, มาในที่นี้ก็ดี ทั้งทั้งใจโลกาธาตต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันและกันอยู่ทรงเมื่อถ้าว่าเคยทําผิดกันด้วยกายกรรมสามเมื่อกีกรรมสีมโนโกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พักก่อนชาติก่อนก็ดีด้วยเดชพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันทรงผหาประมาณไม่ได้ขอพวกเราทั้งหลายอย่าได้มีเวรมีพพัยแก่กันและกันทั่วทั้งตจโลกาธาจงค้นจากสัพส พ, พุทสัพพโสสัพพโลกสัพพเวนสัพพภัยสัพพอันตรายใดๆทั้งสิ้นอยู่ทึกว่าไม่มีประมาณทุกทั้หน้าทุวทั้งตจโลกา อยู่ทุกเมื่อนั่นเธอหัางตุ้งแห่พิเมย์คมิตางเอวังห่อตัเอวังหตัโยชาภวเบปามัจจิตตัววัฒโววัติโซมังโลกังวพาเศรษอภมมตวัชันติมายัตะปรปังตังกัมังกุสเลใปติโซมังโลกังวพาเศรษฐีภามมตัวัชันติมาอภีวาตนสีนิสานิจังพุทธาปายายูจะตาโธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนชุขังภาลัง เกิดมาพระพุทธศาสนาที่ในดวงคิดดวงใจของเขารับพระพุทธธรรมประสงค์เข้าเข้ามาพบมาพ่อที้ดวงคิดดวงใจของเขานี่พอจิตใจเป็นผู้พบผู้พอเป็นผู้เห็นพระสติพปัญญาเป็นผู้เหลือบใสในพระพุทธธรรมประสงค์เอาทั้งหลายจึงในนองตัวมาปฏิบัติได้มะพุทธศาสนาตามสถิติกำลังของไปอมัน ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ไม่วาตสนามีพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นประเทศอันสมควรเป็นเจโาประเทศสว่างไอยู่ในประเทศอันสมควรคือประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประเทศที่มีพระพุทธศาสนาด้นในเองก็คือคิตใจของเฮาคือประเทศที่ประเทศใจของเฮาและทางพระปรมัติบุคคเหลีอมใสพระพุทธระธรรมพระสงค์บุคคลผู้เหลีอมใสพระพพระธรรมประสงค์เป็นบุคคล ผู้สามบรมีแก่กามาแล้วได้พบกสักกนมาเป็นอนเนกปริ ย, าย่าจึงได้มาเลืองแสงพราพุทธพระธรรระสงฆ์ต่อเพื่อว่าเสีมาถมบุญต่อเมื่อเกิดมาใซื้อเกิดมาเพื่อระบบาปบรรพณ์บุญจงทำกิจได้บันเทิงในการระบาปมันรพณนบุญเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทางลายของพระพุทธเจ้าของเราบอกไว้ให้สั่นหลุดเดาะลงมามีสองความนั้น พุทโธแปลว่าผูรู้ใจละบาบําเพ็ญบุญทําโม่เขส่องไว้ถึงละบาบําเพ็ญบุญสั้างโก้เขาปลว่าประเทศบัตรเพื่อละบาบําเพ็ญบุญนี่ที่รวไก่เนี่เพราะใจเป็นหัวหน้าเนี่ยมโนภูฟังขมาธรมามโนเศรษฐามโนมียาทำทั้งหลายม่ใจเป็นไหน่สำเร็จแล้วรวยใจท่ไปทำบุญก็สำเร็จรวยใจที่ไปทำบาปสำเร็จรวยใจเพราะใจเป็นหัวหน้าทาบุญแล้วก็ไปยืดใจทําบแล้วก็ไปยืดใจไม่ได้สอนยากเหมือนโง่มันเหมือนง่มือนควายขาสู ขอสุขุนเอามใจถึงทั้งธรรมทังละธรรมดีไม่ใจถึงทางธรรมโซ่ทั้สอนเตระวัฏฏะบาตของระตมะท่านพรเจ้าทรงต่อพระเนผาหมัดมัดขืนโยกับคิดกับใจเขาเข้าสิทรงือสีพอทรงสิยินดีและสิวะยินดีเหตุไเข้าจ่างยินดีนะพใะเนผาเพราะเหตุว่า เขาอยากหนีจากวาจาสงสารว่าเขาเกิดมาพบแก่พบเก็กพบพบตายพบจะสิ้นที่ะสมผสมสุกสิ้นตรอย่างบ่ม่แน่ผสมผสมยากเนเกิดขึ้นมานเต็มตายบ่ให้แ ก, แก่แก่บ่ให้เก็บเก็บบ่ให้ตายตายต้อสาย้านเที่ยงร่งไปวันนี้ไปสัตายก็วันที่ล่องมาแล้วนั่นวามุบ ป, ประสักเป็นหนาวิเศษเป็นเหตุในห้อง เ, เบื่อนายในวาจาสงสาร ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่ชั่งประสงเลยแต่ห <c oughs> <c oughs> ั่งก่ำมีก็ได้ฟื้นอยู่ไปตามธรรมดาเฉยๆธรรมดาก็เป็นธรรมดาทุกเรามีความแก่เป็นธรรมดาทุกเรามีความเก็บเป็นธรรมดาทุกเรามีความตายเป็นธรรมดาทุกเราจะท้อพัฒนาแก่ของรักของเก่าใจเป็นธรรมดาทุกเรามีกรรมเนของของตัวเป็นธรรมดาทุกเราทําดีจากได้ดีเราทําชั่วจากได้ชั่ว แตนงยาตโนนาถุลตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจก็คือทําเป็นที่พึ่งของทำนอกจากกายไม่มีอันใดจะทําความดีให้ใจได้นอกจากกายควไม่มีอันใดจะทําความชั่วให้ใจได้ใจก็เป็นที่พึ่งของใจนอกจากกายควไม่มีอันใดจะเบียดเบียนใจใจท่อนั้นเบียดเบียนใจใจท่อนั้นจะทําประโยชน์ให้ใจใจจะไปทิ้งให้กายไว้อาจามันก็ไม่รู้จกอีโนอิน่อะไรกายก็ไหวจ้า มันมองจากอีหนอีเดียอย่างเันเป็นผู้รับใสของไก่ใส่ทัานสัตว์เป็นผู้ที่ชอบงว่ามโนผู้ปังขมาธรรมามโนเสดรามโนไมยากทำทางร้ายม่ใจเป็นใหญ่บนนมากบนพระมาจับสายพัผู้ใดดักในปฏิสันฐานผู้นั่นเป็นผู้ใกล้พระนิพพานโดยแท้เลยพระรมศาสตา เกิดมาแล้วอนั่นต่างตื่ตีวมีแต่ไรลอลงหลิวลงหองบรรจัยสังขารทั้งร้ายเกิดขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาได้อนั่นต่างตื่ตีวมีแต่ไรลอลงหลิวลงหองมนทรายนี่เห็นอนิจจังชัดเห็นอนิจจังชัดก็เห็นโลกชัดเพอโลกเต็มไปด้วยอนิจจ์โดยข น, กกนี่ยแฝงปวงนแตกสลายหาระว้อาไม่ได้ มนศาสนาร้ายอย่างโยนในประเทศที่ไม่พระพุทธศาสนาถ้าเข้าเป็นคข้อขีบาปเนอกเขาได้มาเกิดประเทศไทยละเมื่อมายอยู่นี่ละผุ้น่ะอยู่นำลัดเชื่ออยู่น ำ, ป ร, นนำนนนประเทศอื่นหรือนำพวกบูทือศาสนาพุทธนี่เข้าถือศาสนาพุทธมันจึงเยือกเย็นกับประเทศอื่นๆในประเทศเท่าถึงที่ไม่โจรผู้ลายก็ตามถึงที่บนไหว้บ้างก็ตามก็ต้องไม่ท่างแก้ไขอยู่ ท่อนะก็เปลี่ยนเบาได้พระประเทศที่มีพระพุทธศาสนาทังข้ามโลกจังบุมัมาเกิดก็มมโหไปเกิดจุดอื่นคนมองฉัเอโรดเออเมื่อวานเมื่อวานเมื่อก่อนักรองโพเทศมา ลูกสิษย์พันมาญาติโยมันมาเพื่อสามร้อยสองร้อยแล้วเนาะแล้วประเทศนี้มาเปรมเวสสัตว์วารีวานพันมาเพื่อกระเทือนตวไปกลับไปวายเลยไปหายลูกศิษยมากตะกอนตัวเพาใครเดิ่ไปทางคนทางอยูท่านั <c oughs> ่นก็เป็นสัตวอาจารย์มันเป็นสันว์โมเดียวกัน เพอในการเรียนก็มาหลูกชีพเปินมาหลายอยู่จะขามาคนละมือไม่ไจ้คุณใม่ไหมบอหึเจวว้าคุณอดุววันบอ ธรรมเดียร์มไพนลแม่ม่าัเป็นสมณะเื่อนสมณะเป็นพระธรรมเดียออเจ้าอาวาสวยอือออจันเสียเยได้จันทีไ่ด้ทจังจันทูพระมาจารย์มีสิรรอเจ้าวันทพระมาจารย์ กัญชีกันชีนี่สิพ่อสิพอหาสิ่อหนออายุนอโหบเป็นสินของพระสวสดาบันผู้มีสินแปดประดังประพ่อยเป็นสินของพระอนาคามีผู้มีสินสิบประดังประพลอยก็เป็นสยงของพระอนาคามีส็ด้ะหรือสามารถเป็นสินของพระรหันต์ก็ได สามเด่ก็สามารถขึ้นไปเป็นพระ ห, รหนนันได้ญาติโนมก็สามารถเป็นพระ ห, รหนันได้คือการปฏิบัติถืกอการบาลีแก่กล่ามาแล้ะถึงไหวกับพรฟังกันบาลีเมื่แก่กล่านั่งในสักก่อนต่อทีนั่ ง, งคอ่งคอยนอนค่อยแก่กล่ากับอะไรอีกละกรบางไปนั่มมนั่งค่อยนอนค่อยปเป็สีกษีกับอะก็เก็ีไปนั นะอือืมถ้มเ า, มาเขาไม่แค่นักตพระพุทธเจ้าอยู่ดวงใจเท่านี่ถ้ามอบดวงใจให้พระพุทธเจ้าเป็นอาชนะพระพุทธเจ้าแล้วให้พระพุทธาทพระสงฆ์ขี่รถเรงี้ยวรถเยียบย่ำนร่ายนข้มกใสโยธมลายเดี่ยวให้เป็นแทนบนรรลั่งก็ได้ให้หมอบเป็นกระโถนเพิ่นก็ได้มอบเป็นคาวเป็นธาตุเพิ่นก็ได้ ยังโกงับคำว่าพุทธชสหัตสเมธาโสะพุทธชาหัตสเมธาสีวะผู้ยิ่งผู้ยิ่งเป็นธาตุสีผู้ท่ายเป็นธาตุโสขอเป็นธาตุเป็นขาเป็นธาตุสเมธาชีวะขอเป็นธาตุผู้ยิ่งขอเป็นธาตุผู้ท่ายขอเป็นขาเป็นธาตุผู้ทายผูท้ายชาหัตสเมธาโสะ ธรรมจารัดจะไม่ท่าสวะคือกันสังขจารัดจะไม่ท่าสวะศีวะก็คือกันก็เป็นขาเป็นธาตพบุพระธรรมประสงค์อยู่ถึงเวลาวิมีประมาทเรียกว่าอปาจายนะไหมบุญสาเร็จโดยการทองตนแก้ผู้ใหญ่เป็นบุญครองหนึง่งเมียยาพระเจ้าไม่บุญสาเร็จด้วยการช่วยคนขวัญในกิจที่ชอบปฏิทานน้ำไมบุญสาเร็จด้วยการให้ส่วนบุญธรรมมัชยมนตรไม่ บนสาเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทสนามัยบนสาเร็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุจุ ก, กรรมการทําความเห็นให้ตรงการทําความเห็นให้ตรงว่ามีบาปไม่บุญมีคุณพอ่อคุณแม่อันกับเป็นบุญกองหนึง่งมีสวรรค์ไม่พาด ม, มีคุณพระพุทธรรมพระสงฆ์ไม่คนพ่อคุณแม่ไม่คุณตันภูไม่คน คุณเที่ยววุฒิเทวดาหรือท่านผู้ม่ใ่สูงก็เฮาเดี๋ยกว่าเที่ยววุฒิเทวดาท่านผู้ม่ใ่สูงก็เฮาเดี๋ยวว่าไม่คน้นนำมาคนคนอันไหนก็เป็นเมื่อขืนของคุ้นพระเวฬุพัฒมประสองเมื่อคุ้นพระเวฬุพัฒมประสองเป็นเมืองขืนคุ้นพระนพาสเข้าไปร่วมคิ้วกันเดี๋ยวคน โอ้ยร่วมคพลกันด้ในพันิพานปานังปรมังสุขขังเนพานังปรมังสุนยังพระเ น, านามานที่ว่างเปล่าจากกิเลสตัณหาจากกองนามลูกจากวัตถุนิยมใดๆในัเพ่น ทุกอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าไม่ได้มาเกิดแก่เก็บตายก็เรียกว่าเป็นตุกย่างยิ่งไม่มีราคาโทสะโมหะเดี๋ยวเดีอวฝ่ายกายใจถึงว่าเปิดพระธรรมประสงค์ู่ทุกเมื่อทั้งเย็นเดินนั่างนอนรับตื่นตามตาเท่าข่าโซ่พาในบ้านฝนจากทุกในวันตรสงสารตามข้ประท้องของตนในทุกเมื่อมมีพระม่านกขาเทินแล้วกได้ไ่เลกได้กว่านี้ เพราะเป็นคาเป็นธาตุาา พ, พระพุทธธรมประสงค์อยู่ตรงเมืองเระมีประม่าณตามธาเท่าขอโซภัภาะพานผลจากทุกนาวตาสองสารอยู่ทรงเมือตามความประสงค์ของตนนั่นก็าขาเถิดแล้เลือกได้ว่าเลืกได้พอดีเพราะทูลถวายสากุลรกายไหวใาจาใจเป็นมนุษสมบัติเป็นชาวันสมบัติ